ในเวลาเดินอยู่นั่งอยู่ก็ให้นึกถึงศีลตัวเองขาดหรือมันเศ้าหมองก็ต้องรู้นี่เรียกว่าอยด้วยความมีศีลพระชุต ด, ดงให้ระวังศีลตลอดจนอาบัติเล็กๆ น, ๆน้อยๆก็ให้ระวังศีลนี่บริสุทธิ์เขา้าป่าขึ้นภูเขาเสือกัดตายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นพระชุต ด, ดงจงไปนอนเลี้ยงควายอยู่ตามบ้านดีกว่าถ้าเป็นพระมีแต่จะตกนรก เขาอยากให้ได้บุญเขาจึงเอามาทานภายในกายภายในใจถ้าสินเร้าหมองแล้วภาวนาจนผมงอกพระธรรมก็ไม่เกิดพวกพระพวกเนรกลัวท่านมากใครต้องอาบัตท่านรู้หมดท่านทักท้วงในท่ามกลางหมู่คนมากเอดอดือ้อให้อายถ้าท่านตื่นแล้วทำผิดบ่อยๆท่านบอกว่า ไปเอาเทียนติดหูและใหมันหนีมาบวชไม่เคารพคำสอนของพระพุทธเจ้าบวชหาประโยชน์อันใดถ้าเป็นพระจักที่อื่นให้ไปหาท่านพอนั่งลงท่านก็เรียกชื่อถามข่าวว่าจะไปไหนมาไหนทำอะไรถ้าพระมีความรู้ได้เรียนมามากในใจคิดว่าจะอวดความรู้ตัวเองให้เป็นเชิงยดูมินท่านรู้ทันที ท่านจะว่าเรียนมามากๆนั้นเรียนไปทำไมมีความรู้แล้วเอาตัวไม่รอดอามบัตเต็มหัวไม่รู้ตัวเป็นพระบินทบาทก็มีอาหารฉันไม่รู้จักเคารพ บ, บาตรรู้คุณของพระพุทธเจ้าท่านพูดไม่กลัวคนจะโกรธ45ตามครูอาจารย์เท่าไปดูพระอาหารหันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านชีทวน มีโยมสองฝ่ายฝ่ายนักสองมูลกระจายก็ถือว่าตนมีความรู้บางครั้งก็พูดเสดสีพระวัดป่าวันหนึ่งมีโยมอาจารย์สอนมูลกระจายผู้เปิดเผยขึ้นว่าสมัยนี้ปฏิบัติกันอย่างใดก็ไม่เห็นพระอาหารดอกมันหมดสมัยแล้วครูบาอาจารย์ทองรัฐได้ยินเข้าท่านก็พูดว่าอยากเห็นพระอาหารบ่อ ให้ไปโกนหัวมาผูบาจารย์จะพาไปเบิง่งให้ทำตามภูบาจารย์บอกถ้าบอเห็นพระอาหารผู้บาาจารย์สิเอาคอเป็นประกันถ้าบอดทำบอเเหตมัวกอดคำพีอยู่สิเห็นได้อย่างไรยังไม่นานดอกคำพีจะล้มทับตาย46เหยี่ยวเหมือนควายวันหนึ่งมียมสองผูเมีย จะมาทำบุญที่วัดป่าบ้านจีทวนภรรยาได้หิ้วหม้อเขียวใส่อาหารและสะพายกระติบข้าวเหนียวเดินนำหน้ามาก่อนส่วนสามีได้หาระพร้อ่อนแตงไทยเดินตามหลังในระหว่างทางนั้นสามีเกิดปวดปัสสาวะขึ้นจะวางหาบก็ไม่ทันใจหรือเพราะความเคยชินก็ไม่ทราบได้มองหน้ามองหลัง เห็นว่าปลอดคนเลยปลดทุกข้างทางนั้นพอมาถึงวัดก็วางหาบลงไปกราบครูบาอาจารย์เท่าในโอกาสนี้เองครูบาอาจารย์เท่าเลยให้สติไปว่าเออสิเยี่ยวสิขี่ก็ให้วางหาบของลงก่อนแนะ่อย่าสิยืนขี่ยืนเยี่ยวคือควายคืองัวหลยฝ่ายเมียไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ส่วนสามีถึงกับหน้าแดงตัวแข็งทื่อทั้งอายก็อายทั้งสงสัยก็สงสัยเพราะระยะทางห่างจากวัดตั้งส4มถึงสี่กิโลเมตรคุณบาทจารย์เท่าไปแอบดูตอนไหนและก่อนเยี่ยวก็รอบครอบตรวจดูดีแล้วนาะ47่อาหารเป็นผิดพระเทียบบวชเป็นพระใหม่ ญาติโยบอุปถัมภ์ครจะหิวเพราะไม่เคยชินกับการฉันอาหารมื้อเดียวมีอยู่วันหนึ่งภรรยาครูใหญ่โทนฉลวยสีซึ่งเป็นญาติกับพระเทียบได้ออกมาใส่บาตรเหมือนกับทุกวันแต่วันนี้ไม่เหมือนกับทุกวันครูบายจานเท่าได้เดินรับบิณฑบาตนำหน้าและองค์รองมาสองถึงสามรูป ก, ก็ได้แต่ข้าวเปล่าพอมาถึงองค์สุดท้าย โยมได้ชักปิ่งไก่ซึ่งซ่อนไว้ใต้ขันข้าวใช้ใบาทพระเทียบไม่ได้รับอาหารพิเศษเหมือนเทวดารู้ใจจึงวาดภาพในอากาศว่ากลับถึงวัดคงจะอิ่มแท้ละวันนี้เพราะกลับมาถึงวัดยังไม่ได้จัดอาหารออกจากบาทผู้บาตจานเท่าได้พูดขึ้นว่ามื่อ น, นี้ท่านเทียบได้อาหารพิเศษอีกแล้ว voy พระเทียบถึงกับอึ้ง และไอเพื่อนพระเนนที่นั่งฟังมากพระโยมที่ใส่บาตรไม่คิดว่าครูบาอาจารย์รู้เขาก็ได้ซ่อนปิ้งไก่เป็นอย่างดีเป็นอันว่าอ้อยกำลังจะเข้าปากช้างอยู่ล้อมล่อคิดว่าจะได้ฉันสมความอยากสักที่ในที่สุดช้างเลยต้องอ้าปากค้าง48เคารพเหนือสิ่งอื่นใด หลังจากที่หลวงปู่เสาได้ให้ครูบาจา์เท่าทองรัตไปจำพรรษาที่บ้านชีทวนครูบาจาร์เท่าทองรัตก็ไม่เคยไปที่ไหนเลยนอกจากไปกราบหลวงปู่เสาที่บ้านขาโคมจนญาติโยมเกิดความสงสัยและกลัวว่าท่านจะเบื่อเพราะวันๆอยู่แต่ในวัดจึงได้ถามท่านว่าขอโอกาสครับพระอาจารย์พระอาจารย์ มาพำนักอยู่ที่นี่ก็เป็นมานานนานแล้วท่านพระอาจารย์ไม่คิดจะไปทุดงที่ไหนบ้างหรือครับครูบาอาจารย์เท่าได้พูดว่าทำไมพวกโยมจึงได้พูดอย่างนั้นจะมาทำให้อัตมาผิดต่อคำพูดของครูบาอาจารย์ได้อย่างไรก็ในเมื่อครูบาอาจารย์ถ้าได้มอบหมายให้มาอยู่ก็อยู่ท่านยังไม่ให้ไปจะไปอย่างไรโยมว่า ไปช่วครั้งชุกคราวไม่ได้หรือครับครูบาอาจารย์เท่าพูดว่าไม่ได้อยังมาพูดให้อัตมาเป็นบาปเป็นกรรมกับครูบาอาจารย์เลยถ้าท่านมาไม่เห็นอัตมาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเท่านั้นแหละจะไปผิดคําพูดของครูบาอาจารย์ได้อย่างไรสีิบของดีมีให้แต่ไม่รู้จักเอา พ่อใหญ่ค ม, มีซึ่งเป็นโยมอุปทาใกล้ชิดติดตามครูบาอาจารย์เท่าคนหนึ่งเห็นมีหลายคนที่มากราบครูบาอาจารย์เท่าแล้วได้ตัวดีกลับไปพ่อใหญ่ค ม, มีได้ติดตามครูบาอาจารย์เท่ามาเป็นประจำแต่กลับไม่ได้กับเขาเลยคิดน้อยใจวันหนึ่งเลยกลับเรียนครูบาอาจารย์เท่าว่าครูบาอาจารย์เท่าขน้อยคนอื่นเขามา เขาได้ตัวดีไปแต่ทําไมคุบาจาย์เท่าไม่เมตตาสงสารผมบ้างคุบาจาย์เท่าเลยพูดเป็นเชิงดูว่าให้ของดีดีบ่เอาจะเอาของไม่ดีนั่นหรือไม่รู้หรือว่าที่ญาติโยมเขามาเขาได้ไปนั้นเขาได้อบายามุกไปเขาไม่ได้อัดได้ทําไปนะพอ่ออยากได้นักหรืนั่น ใน้ฟัอย่างนั้นพ่อใหญ่คํามีถึงกับอึ้องไปและลาครูบาจารย์เท่ากลับด้วยความรู้สึกผิดหวังพอเดินจะไปพ้นจากเขตวิติคุบาจารย์เท่าคุบาจารย์เท่าเลยเรียกให้กลับมาและได้ยินบุหรีสองตัววางบนกรดไม่ขีดพ่อใหญ่คํามีทั้งดีใจทั้งแปลัดใจไปจนถึงบ้านและเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันแปล เมื่อวันหวยออกพ่อใหญ่คำดีต้องผิดหวังตามเคยแต่เพื่อนบ้านกับดีใจไปตามๆกันห0าสิบู้ทากรรมได้ไว้ย่อมให้รับผลตอบแทนที่วัดป่าบ้านชีทวนปกติพุทธิครูบาจาย์เท่าจะสร้างแบบง่ายๆหลังคามุงยะคายกเคลื่อนย้ายได้ด้านข้างมีฝาปิดเปิดได้ ยกพื้นสูงพอนั่งย่นขาได้พอดีหลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นานได้มีพึ่งมาทำรังใต้ถุนกุฏิหลายวันต่อมาพู้บาอาจารย์เท่าได้นั่งเก็บบไม้อยู่ข้างๆกุฏินั้นได้มีพึ่งตัวหนึ่งมาต่อยหัวคิ้วพูบาอาจารย์เท่าผู้บาอาจารย์เท่าก็ไม่ได้ว่าอะไรทำงานอื่นต่อไปในคืนนั้นก็ดูมดดำ คือมดสามเหล่ามาจากไหนถ้าปลูกเป็นของสงแล้วคนอื่นจะเอาไปใช้ไปกินไม่ได้ต้องรับอนุญาตจากสงก่อนคือพระสีรูปขึ้นไปประชุมอนุวัติให้จึงใช้ได้ถ้าสงไม่อนุญาตถ้าพระนำไปฉันพระก็เป็นเปรตโยมกินโยมก็เป็นเปรตเมื่อปลูกแล้วก็บอกกล่าวปวารณาว่าไม้นี้ หรือของสิ่งนี้ใครใครใช้ประโยชน์อันใดก็ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์52สอทดสอบสิทธิมีบ่อยครั้งเหมือนกันที่ครูบาอาจารย์เท่าลองลูกศิษย์ที่ยังประมาทอยู่เช่นหลวงพ่ออว้วนเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่ออ้วนได้กราบลาหลวงปู่กินรีเพื่อจะไปศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์เท่า ก่อนไปลุงปู ก, กินรีคำชับว่าระวังนะถ้าไปหาครูบาอาจารย์เท่าระวังท่านจะทดสอบอารมณ์ทดสอบสติเมื่อไปถึงได้กลับครูบาอาจารย์เท่าก็ได้เรื่องกันได้เมื่อครูบาอาจารย์เท่าท่านบอกให้ไปตัดไม้มาให้ท่านขณะนั้นท่านทํากิจวัตรอยู่พอดีหลุงพ่ออ้วนซึ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีจึงรู้ทางมวย ได้มีโตเดินเข้าไปในป่าตัดไม้ที่ตายแล้วมาให้ท่านเพราะครูบาอาจารย์ได้เห็นเท่านั้นแหละเออนี่มันจริงสมกับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีบิดครั้งเหมือนกันที่พระเนนบางรูปเมื่อท่านบอกให้ทำในสิ่งที่มันผิดวินัยก็ทำด้วยความไม่รู้เท่าทัานทำให้พระบทเบรียนที่ไม่มีวันเลิมคือคาเทศกันใหญ่ และแสบเผ็ดเพราะเห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่ไม่เห็นทำวินัยเป็นใหญ่ซึ่งครูบาอาจารย์เท่าเรื่องอาบัตเล็ก ๆ, ๆน้อยๆท่านไม่ปล่อยท่านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสําหรับชีวิตพรหมจรรทร์ด้วยเหตุ น, นี้เองทำให้หลวงปู่ชาท่านมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์เท่าเป็นอย่างมากจึงได้นำหลักธรรมต่างๆจากครูบาอาจารย์เท่า มาสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างในสำนักวัดหนองป่าพงและสาขาปัจจุบันเหมือนกับข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เท่าที่สั่งสอนลูกศิษย์สมัยที่มีชีวิตอยู่เกือบทุกอย่างตามที่หลวงปู่ชาได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์เท่าเห็นว่าถ้าคนไม่ฉลาดจะเอาไปธรรมะกับท่านไม่ได้ คือไปเอาอย่างท่านไม่ได้ไปเอาเย่แงอย่างท่านอย่างเช่นคุณบาอาจารย์เท่าท่านพูดมีสัมรวมการออกไปรับบิณฑบาต ท, ท่านขอของไปเรื่อยแล้ท่านดูให้พระเนนที่ประชุมจะดูเก่งมากพระเนนไปเอาอย่างท่านไม่ได้ท่านไม่มีอะไรความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรทําอะไรท่านมุ่งสอนธรรมะพระได้มุ่งสอนหมู่คณะ ไม่ได้มุ่งเสียหายห3สิสมติดส ม, มุดบางคนไม่เข้าใจหาว่าท่านเป็นโรคประสาทเช่นไม่อยู่ครั้งหนึ่งน้องปุชาเล่าว่าครูบาจารย์เท่าได้เดินไปพร้อมที่สุดสงมูหนึ่งเห็นควายตัวเมียกินหญ้าอยู่ข้างทางครูบาจารย์เท่าพูดว่าโอ้ยควายผู้ตัวนี้ทำไม จึงมากินหญ้าอยู่ใกล้ทางจังเลยแล้วเดินไปอีกท่านได้ชี้ให้ดูควายตัวผู้กําลังเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งและพูดว่าเออไปหากิ่งกลางทุ่งนาเหมือนควายตัวเมียสิมันริงจะถูกท่านดูควายตัวผู้เป็นตัวเมียควายตัวเมียเป็นตัวผู้ผู้ไม่เข้าใจก็หาว่าท่านประชาความจริง ไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวเมียอย่างนี้ท่านเทศน์ให้เราฟังคนไม่เข้าใจธรรมะเลยเกิดเถียงกันวุ่นเมื่อรู้สมมติแล้ววิมุตติก็เป็นไปด้วยได้ในตัว54หลวงปู่เสากันตาสีโลทาบุญอุทิตให้พระกรรมวาจาจารย์ในระหว่างจำพรรษาสันสา2479 ถึง 2,483 อยู่ชีวัดป่าหนองอ้อบ้านขาโคมนั้นหลวงปู่เสาได้นิมิตเห็นย า, าูสีธาชยะสโนพระ ก, กรรมวาจาจารย์ของท่านสมัยที่อยู่วัดอุรพาในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นเพทท่านอยู่เมืองศรีพันดอนแขวงจำปาสักท่านไปเรียนที่กรุงเทพ ก็ได้มาเป็นอุปชาอยู่ที่จังหวัดอุบลรัชธานีหลังจากนั้นได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มาตุภูมิไปอยู่วัดดอนฮีหรือวัดเกาะฮีเมืองโขงแขวงจำปาสักและได้มรณภาพลงที่นั่นไปเกิดเป็นเ ป, นเปนรตลบกวนลูกหลานทำให้ลูกหลานเดือดร้อนจึงคิดจะไป ทำบุญอุทิศให้พระกรรมวาจาจารย์เมื่อออกพรรษาหลวงปู่เสาพร้อมด้วยคณะสิทธิ์ทั้งสายพระมหานิกายและพระธรรมยุทธ์จำนวนสิบเอรูปมีครูบาจารย์เท่าทองรัฐกันตัสสิโลครูบาจารย์ดีชันโนคุบาอจารย์บวพาปัญญาภาโสครูบาจ า, า, ญญ า, ารย์าากองแก้วและมีคณะสิทธิ์ที่เป็นครวา่าติดตามไปด้วยอีกห้าคน คือ 1. พระจัตธรรมชุทีซึ่งขณะนั้นเป็นการวาสอายุ14ปี 2. พระครูโอภาสธรรมพานส 3. นายบุญมากชัยงาม 4. นายเจริญ 5. นายกรห5หเอาต่อไม้เป็นอาจารย์ในปีพุทธศักราชสองพร ไกล้ออกพัรษาหนูงปู่เสาได้คนไปส่งข่าวที่วัดป่าบ้านชีทวนให้ครูบาอาจารย์ทองรัตทราบว่าเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจะพาไปทําบุญอุทิศให้แก่พระอุปชาที่เมืงองโขงแขวงจำปาสัก์โดยให้ไปเจอกันที่เมืงองโขงเลยเมื่อออกพรรษาแล้วหลังจากฉันเจ็จท่านได้ล่ำลาญาติโยมแล้ว ขณะที่ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐเตรียมของอยู่นั้นได้มีพระบวชใหม่หอบจีวรหอบบาตรมาหาท่านเล่าให้ท่านฟังว่ากระผมลาเมียมาบวชใจก็อยากออกประเพอปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่เมียเขาไม่อยากให้บวชจึงได้บอกเขาไปว่าขอบวชชั่วคราวเขาจึงให้บวชและกระผมได้หนีออกมาเมื่อคืนนี้ ไม่มีใครรู้กลัวเขาไม่ให้มากระผมไม่มีอะไรมาด้วยเพิ่งบวชเมื่อวานนี้กระผมขอมอบกายถวายชีวิตไว้กับครูบาอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์เท่าทองรัตบอกว่าเออบุญท่านยังมีนะเกิดบจได้พบกันผมจะรีบเดินทางไปแล้วนี่มาแล้วก้มลงกราบที่นั่นแหละครูบาอาจารย์เท่า ท่านบอกกรรมฐ า, านพร้อมชี้ปลายที่ต่อไม้เต่งที่ยืนตายมานานหลายปีและพูดว่านั่นเห็นไหมต่อไม้ทำเหมือนต่อไม้นั่นทำเอาพระใหม่รูปนั้นนั่งงงอยู่นานครูบาอาจารย์เท่าจะได้ออกเดินทางคงปล่อยแต่พระรูปนั้นอยู่เฝ้าวัดก่อนเพราะท่านต้องรีบออกเดินทางก็ตามหลวงปู่เสาไปให้ทัน พระลูปใหม่นั้นเช้าเดินผ่านก็มองทําอะไรก็มองแต่ต่อไม้เกิดสงสัยว่าทําไมครูบาอาจารย์เท่าจึงให้ทําเหมือนต่อไม้คิดไปคิดมาหลายวันเข้าเลยเข้าใจว่ากว่าจะเป็นต่อไม้เกิดมาเป็นกล้าไม้แล้วมาเป็นต้นไม้ใหญ่พอใช้งานได้คนเขาก็ามาตัดไปใช้ประโยชน์เหลือไว้แต่ต่อทําประโยชน์ไม่ได้ แล้วก็ไม่มีใครสนใจจึงเอาตอไม้เป็นอาจารย์ภาวนาเลยตั้งใจไม่สึก 56. หลวงปู่เสาโปรดชาวบ้านห้อยยางหลวงพ่อก่องแก้วณปัญโยวัดป่าเทศบุรรมอําเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญมากและได้มีโอกาสไปอุปถัมภ์ ครูบาอาจารย์เท่าอยู่บ่อยๆที่บ้านคุ้มแล้วว่าหลวงปู่เสากับครูบาอาจารย์ทองรัฐได้ดมริสร้างวัดป่าเทพบุรมบ้านแก้งยางอำบภดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้เดินธุดงมาจากวัดป่าหนองอ้อบ้านขาโคมแล้หยุดพักมาเรื่อยๆ และเมื่อพระดวงมาถึงห้วยยางจึงได้หยุดพักที่ริมห้วยยางญาติโยมไม่ได้ทราบว่ามีพระธุดดวงมาพักปากใกล้หมู่บ้านจีเร้นนิมนต์ให้แก่อาถรรพ์เพราะสถานที่ที่สร้างวัดปัจจุบันเดิมชาวบ้านเชื่อกันว่าเจา้าจี้แรงมีอาถรรพ์ใครไปทําอะไรใกล้สถานที่ดังกล่าวไม่ได้หาปู่หาป่าไม่ได้ป้าก็เข้าสิง แล้วพูดออกปากชาวบ้านบ้างก็ทำให้ล้มป่วยบางช่วงก็เกิดการตายติดต่อกันหถึง6ศพก็เคยมีเป็นเหตุให้หลวงปู่ต้องสงเคราะห์ในกิจทีและญาติโยมได้ขอนิมนให้คณะท่านได้จำพรรษาด้วยเพื่อชาวบ้านจะได้มีกำลังใจต่อไปแต่หลวงปูเ่เสายังไม่รับว่าจะจำพรรษา ท่านได้พาคณะออกเดินทางต่อไปขณะนั้นเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษาลุงปู่เสาจึงได้ให้โยมพาไปหาสถานที่เหมาะในการจำพรรษาญาติโยมได้พาไปหาสถานที่หลายแห่งจนในที่สุดท่านจึงตกลงว่าจะจําพรรษาที่ดอนธาตุซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางม่นาำ ม, มลูลเพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะในการภาวนา 57. สร้างวัดป่าเทพบุรมหลวงปู่เสาได้ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐหลวงพ่อบุญมากพร้อมพระเนนกลับไปจำพรรษาที่บ้านแก้งยางซึ่งอยู่ไม่ไกลจากรอนทาตมากนักเมื่อออกพรรษาในปี2485หลวงปู่เสาได้ให้มีการจัดพิธีวางศีลาเลิกก่อสร้าง วัดป่าเทพบุรมในวันวางศิาลาฤกษ์ได้มีพระเนรมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีหลวงปู่เสาเป็นประธานและต่อมาได้ให้ครูบาบุญมากมาสารต่อเจตนารมณ์ทำการก่อสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างต่อไปหลังจากวางศิาลาฤกษ์เสร็จคณะหลวงปู่เสาได้เดินทางต่อไปโดยญาติโยมนิมนต์ท่านขึ้นรถไป เพราะถ้าไปทางเรือครัวองค์ท่านจะเมาคลื่นเพราะเี้นทางไปมีกอบแก่งมากประกอบกับน้ำไหลเชี่ยวมากและอาการไข้ในช่วงหนึ่งพรรษายังไม่หายดีคือขณะองค์ท่านนั่งสมาธิอยู่ควรต้นยางใหญ่ได้มีเหยื่ยวบินโฉบเอารังพึ่งซึ่งอยู่บนต้นกิ่งยางใหญ่ที่องค์ท่านนั่งอยู่และรางพึ่ง พร้อมตัวพึ่งได้ขาดหลนลงมาใกล้กับองค์ท่านนั่งอยู่พอดีทำให้พึ่งได้กรูเข้าต่อยองค์ท่านหลายตัวจนองค์ท่านต้องมุดเข้าในมุงกรดพึ่งจึงเลิกหลังควานจากนั้นองค์ท่านได้เกิดอาการไข้เพราะพิษของพึ่งต่อยจนออกพรรษาแล้วอาการจึงเข้อทุเลาลงส่วนครูบาอาจารย์ทองรัตพร้อมพระเนรว น, นึง ได้เดินทางจากวัดเทพบรมด้วยเท้าต่อไปและครูบาอจารย์บุญมากกับครูบาจารย์กิได้แยกเดินทางไปต่างหากโดยมีจุดจะไปพักยที่บ้านห้วยสาหัวพระเพ่งไปทางเรือกับครูบาจารย์เจียและสมเนตรอีกหนึ่งรูปไปขึ้นที่ท่าวัดภูจัมปาศัก์ได้พบกับคณะครูบาจารย์ทองรัฐที่วัดภูจัมปาสักที่ได้ลุงหน้ามาถึงก่อน จึงได้ถามถึงหลวงปู่เสาได้รับคําตอบว่าท่านได้เลยไปเมืงองโขงไปดอนหีก่อนแล้วและท่านได้ฝากความไว้ว่าถ้าผู้คุณเพลงกับท่านเจ้ะมาถึงไม่ต้องตามไปให้ท่านรออยู่วัดผู้จำปาสักนี่และได้นัดว่าในวันมาคบูชาให้พระเนียนทุกรูปมาร่วมลงอุโบสถ ด, ด้วยกันที่นี่พระเพลง กับคู่บาจาย์เจี้ยและเน็หนึ่งรูปเมื่อหลวงปูบ่บอกให้รอจึงได้ไปพักที่บ้านห้วยสาหัวเพราะที่นั่นมีที่พักพร้อมซึ่งอยู่ไม่ไกลนักขณะนั้นหลวงปู่เสาคููบาจาย์ดีชันโนพร้อมคณะสิทธ์ไปทำบุญที่วัดดอนฮีแล้วเดินทางไปชมน้ำตกหลีผีแล้วจึงมาพักอยู่ภูมอออมห่างจากที่ทาการจังหวัด จำปาสักประมาณ2กิโลเมตร58หลวงปู่เสา อ, อาพาธหนักที่ภูม่ออมในคราวนั้นรัฐบาลไทยได้ตั้งที่ทำการจังหวัดจำปาสักที่บ้านทับเปื่อยปากเซลำเผาเมืองสีพันดอนผู้บาจา์เท่าทองรัฐพร้อมด้วยครูบาจา์บุญมากผู้บาจา์กีได้เดินทางถึง ภูมิออมที่หลังคณะหลวงปู่เสาเมื่อไปถึงครูบาจานดีไดรีบมากระซิบแจ้งข่าวอาการอ า, าพาษของหลวงปู่เสาให้ครูบาจานเท่าทราบ ว, ว่าการขององค์ท่านหลวงปู่เสาขณะ น, นี้น่าเป็นห่วงอ่อนเพลียมากถ้าเดินทางต่อไปกลัวจะเป็นอะไรไปกลางทางนี่มนท่านกลับหลวงปู่ท่านก็ไม่เห็นด้วยและท่านพูดว่า ท่านกินข้าวกล่องเดียวฉันบอกท่านดีคอยอยากให้หอดเมืองขมิ้นพุ่นหลวงปู่เสาไม่ได้พูดถึงเรื่องที่จะเดินทางกลับแต่อย่างไรแต่ครูบาจารย์ดีเครงว่าท่านหลวงปู่อาพาธหนักและเป็นอะไรไปที่นี่เกรงว่าสิทธาอนุสิท์ที่ไม่ได้ไปด้วยจะตำหนิท่านครูบาจารย์ดีจึงอยากให้ครูบาจารย์ทองรัตและครูบาาจารย์บุญมากช่วยนิมนต์ หลวงปู่สาวกลับคณะสิทธิณนุสิ์ปรึกษาหารือาันว่าจะพูดอย่างไรดีท่านจึงจะเห็นด้วยถ้าไม่ขึ้นถึงอุบลรัฐธานีก็เลื่อนขึ้นไปดอนใจหรือไปวัดป่าสารวันซึ่งเป็นวัดครูบาอาจารย์บุญมากและครูบาอาจารย์กีสร้างและเป็นบ้านเกิดครูบาอาจารย์กีด้วยหรือจะไปถึงวัดอมัตยารามก็ยิ่งดี เมื่อคณะสิทธ์ตกลงกันแล้วก็พากกันเข้าไปกราบห้วงปู่เสาครูบาจารย์เท่าทองรัฐได้ประนมมือกราบเปลี่ยนท่านว่าขอโอกาสขน้อยครูบาจารย์อยู่ที่นี่มันกันดานกันดานจังใดก็คือว่าข้าราช ก, การก็เป็นคนใหม่มาตั้งบ้านเมืองใหม่ถ้าสิธิอาศัยข้าราช ก, การกับบม่มีผู้คุ้นเคย ถ้าอาศัยคนพื้นเมืองก็เป็นคนขเมเนบางคนเว่าวลาวก็บอดได้ผู้เว้าวลาวได้ก็อาศัยเขาบอได้เพราะเขามีความทุกข์ยากทำนั้นว่าป่วยหนักพักให้ที่นี่รถมาถึงก็บอดถึงเรือมาก็ขาแก่งเหตุนี้จึงอยากนิมนต์ครูบาอาจารย์กลับขึ้นอุบลหรือเอื้อมขึ้นไปนอนใจหรือไปบ้านท่านกี่ บ้านหนองผํานอนไซนี่ก็มีป่าที่สวยงามเหมาะสีเหตดวัดป่าเพราะทีบ้านหลายหมู่บ้านส่วนวัดป่าสารวันภูมโรงของท่านบุญมากบ้านท่านกี่นั้นก็เป็นวัดป่าที่ร่มรื่นเหมาะสมกับคนเท่าคนแก่จะอยู่อย่างสะดวกสบายหรือไปฮอดวัดอมัดก็ได้ เมื่อลงปู่เสาได้ฟังคำอ้อนวอนของลูศิษย์ดังนั้นซึ่งตอนแรกพระอาจารย์ดีเคยกราบนิมนต์ท่านแล้วแต่ท่านไม่กลับท่านพิจารณาสักครู่จึงพูดขึ้นว่าเออคันท์ใไปก็ไปตินี่มันก็ถึงเดือนสามแล้วให้ท่านบุญมากท่านกีขึ้นไปสาก่อนไปจัดเอือมารับแล้วคอยสิขึ้นไปตามหลังแต่นัดกัน ให้ไปหอดวัดภูทันเดือนสามเพนถ้าไปถึงวัดภูแล้วให้บอกท่านเพงและพระที่มาท่าอยู่ที่วัดภูบอกให้ท่าให้ทามาคบูชาที่ประสาทหินวัดภูไปเลยเพราะกับเมื่อบ่ทันหลวงปู่เสาเคยป่าวรบไว้ว่าจะไปทำมาคบูชาที่ประสาทหินวัดภูจมปาสักแต่ไปไม่ทัน ครูบาอาจารย์บุญมากกับครูบาอาจารย์กิรีบเดินทางเพื่อไปจัดหาเรือครูบาอาจารย์กิรแวะดูสถานที่ที่ดอนใจเพื่อเรียนคณะสงฆ์ให้ทราบว่าจะนําหลวงปู่เสามาพักที่นี่สักระยะหนึ่งส่วนครูบาอาจารย์บุญมากขึ้นมาวัดป่าสารวันเพื่อจัดหาเรือการจัดหาเรือก็ล่าช้ามากเนื่องจากเป็เรือพ่วงและหาคนแจวเรืออีกสี่คน จนถึงเดือนสามเพลนแล้วก็ยังล่องเรือไปรับหลวงปู่เสาไม่ถึงเมื่อถึงเดือนสามเพลนซึ่งเป็นวันมาคบูชาหลวงปู่เสาได้ร่วมลงอุโบสถกับคณะลูกศิษย์ตามปกติทั้งที่อาพาธหนักอยู่หลังจากลงอุโบสถเสร็จองค์ท่านเริ่มอาพาธหนักขึ้นเรื่อยท้องว่วงอย่างแรงแรมหนึ่งค่ำเดือนสาม คณะลุกศิษย์จึงได้ไปวานขอความช่วยเหลือจากข้าราชการตำรวจญาติโยมช่วยกระ น, นาท่านลงเรือถอเรือขึ้นมาถึงบ้านนาดีเซลัมพาพักแหลมที่นี่รุ่งเชา้าถอเรือต่อถึงเมืองมูลตาโมกมืดค่าพักแหลมที่นี่รุ่งเชา้าถอเรือต่อผ่านดอนนางคอยทางด้านทิศตะวันออกแลมสามค่ำ เดือนสเป็นวันเดียวกับครูบาอาจารย์บุญมากร่องเรือมาจะไปรับหลวงปู่ได้ไปรับครูบาอาจารย์กิที่ดอนไซก่อนแล้วร่องเรือผ่านดอนนางคอยทางทิศตะวันตกการผ่านเกาะโคลทิศเป็นสาเหตุที่เรือสองลำไม่เจอกัน59้หลวงปู่เสาหมดลมเสรยจแล้วคณะพระอาจารย์เพลงได้รออยู่บ้าน พ้วยสาหัวใกล้วัดภูหลายวันไม่เห็นคณะหลวงปู่มาจึงได้กลับมาลงอุโบสถที่พิบูร์และได้ถามข่าวก็ไม่ทราบความหลังจากลงอุโบสถเสร็จบรุงขึ้นได้มีรถจะไปเมืองมูลลป่าโมกจึงได้ขึ้นรถไปลงจำป่าศักด์รอคณะหลวงปู่สาวที่วัดอมตะยารามซึ่งมีพระอุปชาเมา เป็นเจ้าอาวาสได้ทราบข่าวจากนายร้อยจำรัดซึ่งเป็นคนอุบลไปรับราชาการที่จำปาศัก์บอกว่าตอนเย็นคณะหลวงปู้เสาจะมาถึงท่านอาพาธหนักให้จัดสถานที่รอรับด้วยเมื่อตอนบ่ายสี่โมงได้ยินวุดเรือดังมาแต่ไกลอุปชาเมาและพระเพ่งจึงได้ลงไปรับคณะที่ท่าเรือวัดแต่เรือไม่จอด ได้เลยไปจอดที่ท่าสารเลยท้าวัดไปไม่ไกลจึงได้นิมนต์ท่านลงเรือย้อนลงมาท้าวัดอีกครั้งหนึ่งคุบาจานดีลงท่าสารได้โทรเลทไปบอกลูกศิษย์ท่านทางอุบลอาการขององค์ปู่สาวขนาดนั้นใบหูดึงผีปากเหลืองซีดอิดโรยเห็นได้ชัดเมื่อเรือมาถึง อาจารย์กองแก้วได้ลงเรือไปประครองหลังคูบาจารย์บัวพาประคองด้านหน้ายกท่านขึ้นนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ในขณะนั้นมีพระที่อยู่ด้วยกันคือคุบาจารย์กองแก้วคุบาจารบัวพาคุบาจารย์คำพระเพ่งได้ช่วยการประคองท่านขึ้นจากฝั่งและนําท่านขึ้นไปในโบสถ์เมื่อวางองค์ท่านลงตัวหลวงปู่ ท่านั่งหลับตาคอตกในท่าเดิมอ่อนเพลียมากผู้บาจารย์บัวพาจึงได้พนมมือกราบเรียนหลวงปู่ด้วยเสียงอันอ่อนนุ่มเพราะเห็นสภาพหลวงปู่ท่านได้ประคองจิตท่านมาตลอดเกรงว่าจิตท่านจะพลิกว่าขอโอกาสขน้อยขณะ น, นี้อยู่ในโบสถ์วัดอมตยารามจำปาสาักแล้วขน้อย หลวงปู่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดูพระพุทธรูปเล็กน้อยได้สั่งให้นำผ้าสังคาติมาพาดบ่าและท่านกราบพระได้สามครั้งแล้วพับคอลงเช่นเดิมมือไม้สั่นริกๆเมื่อเห็นเช่นนั้นผูบาอาจารย์บัวพาได้นำน้ำมาพรมใส่องค์หลวงปู่เบาๆและจะประคองท่านให้นอนลงเมื่อจับถูกองค์ท่าน จึงรู้ว่าองค์ท่านหมดลมเสร็จแล้วเมื่อปีมะเมียวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2485แรมสามค่ำเดือนสามสิริรวมอายุได้83ปี6 3 0ั0ษามืองหลวงปู่และสังขาลงคณะสงจะนำสศรีรัองค์หลวงปู่ กลับอุบลเลยเมื่อญาติโยมทางจังหวัดจำปาไม่ยอมเพราะมีความประสงค์จะทำบุญกับครูบาอาจารย์ด้วยจึงตกลงกันว่าให้พบกันครึ่งทางคือใโยมทางจำปาศักดิ์ได้ทำบุญสามคืนแล้วก่อเครื่อนศริระท่านกลับอุบล 60. หลวงปู่มั่นเป็นประธานถวายเพลิงงปู่เสา หลังจากได้ทำบุญสามคืนโยมทางจำปาสักได้ให้เอาสรีระท่านหลวงปู่เสาขึ้นมาอุบลนโดยครูบาอาจารย์เท่าทองรัตครูบาอาจารย์บุญมากเป็นผู้นำคณะมาอุปชาเมาได้ทำหีบไม้กระเคียนถวายองค์ท่านกับอุบลเมื่อนำสรีระท่านมาถึงวัดบูรพาอุบลได้ทำบุญและเตรียมงานต่างๆ ระหว่างวันที่10ถึง16เมษายนปีพุทธศักราช2486จึงได้ทำการถวายเพลิงศรีระองค์ท่านโดยมีหลวงปู่มั่นปุริทัโตเป็นประธานงานมีหลวงปู่สิงห์สัญตยาคโมเป็นผู้ดำเนินงานในงานมีคณะสงฆ์และขรวาดมาร่วมเป็นจำนวนมากจนวัดบูรพารามที่เคยกว้าง กับหนึ่งแน่นไปด้วยคนหาทางเดินแทบไม่ได้ห1เอถวายเพลิงศพพระมหาเถระพร้อมกันสี่รูปในวันถวายเพลิงองค์ปูเ่เสาตามหลักฐานที่เราสืบต่อกันมาว่าในปีนั้นได้มีการถวายเพลิงพระมหาเถระพร้อมกันสีรูปคือหลวงปูเ่เสากันตสีโลท่านเจ้าครู พระศาสนนดิลกพระมหารัฐรัฐปาโรพระกูวิโรธรัตนโบนโดยเฉพาะพระกูวิโรธรัตนโบนท่านเคยเป็นองค์ประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาพนมจังหวัดนครพนมโดยมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นกำลังสำคัญในการนำบูรณะในครั้งนั้นหลังจากเสร็จงาน ถ้าไว้เพลิงแลือปู่เสาแล้วผู้บาอาจารย์เท่าทองรัตในคณะได้ไปพักที่วัดเทพบุรุษพร้อมกับผู้บาอาจารย์บญมากอยู่ระยะหนึ่งแล้วออกทุดงต่อไปหลายหมู่บ้านด้วยกัน 62. ผู้มีบุญมาเกิดยายชีปิ่นนารัตอายุ87ปีเล่า ว, ว่าครั้งหนึ่งปี2486 รูบายจานเท่าทองรัตไดเดินทุดงไปที่บ้านนาโพน้อยตำบล น, นาโพน้อยอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเราเดินสี่ถึงห้าหน้าแลงเมื่อเดินทางมาถึงป่าท้ายบ้านนาโพจึงได้หยุดพักชาวบ้านเมื่อเห็นพระทุดงมาพักใกล้บ้านพากันดีอกดีใจต่างได้เรียกกันหาน้ำหาท่า เพื่อไปถวายพระพร้อมกันพระท่านมาด้วยกันสองรูปเมื่อทุกคนไปถึงพระทุดงนั่งพักเอาแรงต่างก็กราบและได้สนทนากับท่านพอสมควรแล้วผู้ใหญ่หมีได้ก่อนิมนต์ผู้บาอาจารย์เท่าพักอยู่ด้วยกันนานๆเพื่อโปรดญาติโยมเพราะนานๆทีจะมีพระทุดงผ่านมาพู้บาอาจารย์เท่าพิจารณาเห็นว่า สถานที่เหมาะในการภาวนาพร้อมทั้งญาติโยมก็มีความศรัทธาเป็นอย่างมากจึงตกลงอยู่พักฉลองศรัทธาในโอกาสนั้นผู้บาอาจารย์เท่าได้เลือกไปเห็นหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ที่นั่งรวมในกลุ่มชาวบ้านนั้นจึงพูดว่าเออเราอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้มาบ่อยๆ อ, อย่าได้อายนั่นอายนี่ลูกเกิดมา เขาจะได้นิสัยด้วยนี่ถ้าเขาเกิดมาเป็นชายต่อมาเขาจะบวชไม่าสิขานา น, นี่อย่งนั้นต่อมาได้มาบวชกับพระลูกชายคือไม่ชี ป, ปินนารัฐนั่นเองขณะนั้นมีอายุได้สาอปีกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สามในระหว่างที่ครูบาทจารย์เท่าได้พำนักอยู่นั้นนางปินได้อุ้มท้อง มาอุปถากทุกวันไม่ได้ขาดครูบาอาจารย์เท่าได้พักอยู่ประมาณเดือนกว่าฉันได้หลายญาติโยมทุวดวงต่อไปในเวลาต่อมานางปิ่นได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายและได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนากับหลวงปู่ชาสุพัทโทที่วัดหนองป่าพงร่วยมาจนถึงปัจจุบันนับได้ส0สิกว่าพรรษาคือพระอาจารย์คูณ อคตโมสมกับคำทํานายที่ครูบาอาจารย์เท่าให้ไว้ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโพสุวรรบ้านนาโพน้อยตำบล น, นาโพน้อยอำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดขุบลราชธานี 63. โนนบักบ้าบ้านคุม้มในปีพุทธศักราช2486 หลังจากที่ได้พำนักที่บ้านนาโพ ป, ประมาณหนึ่งเดือนครูบาอาจารย์เท่าทองรัตละชุดงต่อไปตามสำนักวิสัยของพระโยคาวจรผู้ใฝ่หาความสงบในบ่ายวันหนึ่งตะวันกำลังจะรับขอบฟ้านกกำลังบินกลับลังชาวบ้านได้ต้อนบวกวายกลับบ้านตามปกติเป็นเวลาเดียวกับที่ครูบาอาจารย์เท่า ดเดินทุดงมาถึงก่อนเข้าบ้านคุ้มครูบาจารย์เท่าได้ปรึกษาพ ร, ระปัจฉาสมณะว่าในคืนนี้จะพักใกล้หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อตอนเช้าจะได้อาศัยออกไปบินธบาตและได้ถามชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังต้อนควายจะกลับบ้านซึ่งต่อมาจะเป็นโยมอุปถักต์ใกล้ชิดและศรัทธาต่อครูบาาจารย์เท่ามาตลอดคือ คนทหารปรบประจําการเขียนสี่ชุดธรรมเวลาว่าวันที่ครูบาอาจารย์เท่ามาถึงเป็นเวลาใกล้จะมืดแล้วได้ถามหาแต่ป่าชา้าแต่ป่าชา้าต้องเดินผ่านหมู่บ้านไปอีกท่านได้ถามอีกว่าที่อื่นที่ใกล้กว่านี้อีกไหมเลยชี้มาทางข้างหลังที่ท่านเดินผ่านมาว่ามีโนนบักบ้า ข้ามห้วยเขาสารมาเท่านั้นแต่ไม่เหมาะที่จะไปพักเพราะสถานที่นั้นมีเครือบักบ้ารกทึบมากและเป็นที่เข็ดขวางอาถรรพ์มากใครเข้าไปทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะไปเก็บผักเก็บฟืนมาหุงหาอาหารยังต้องมีอันเป็นไปชาวบ้านจึงกลัวและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โนนป่านั้น จึงขอร้องให้ท่านไปพักที่วัดในหมู่บ้านจะปลอดภัยกว่าแต่ท่านว่าไม่เป็นไรจะขอพักที่โนนบักบ้าคือเป็นชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเก็บเอาลูกไปเล่นลูกสะบ้าเมื่อท่านตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นจึงชี้บอกทางนิมนต์ท่านไปส่วนในเขียนไดรีบต้อนควายเข้าบ้านบอกแม่บ้านให้เตรียมน้า ทั้งน้ำใช้น้ำฉันเพื่อไปถวาตระและได้ไปร้องบอกชาวบ้านให้ไปช่วยกันจัดสถานที่ปรากฏทำทางเดินจงกรมให้พระทุดงซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยจะมีบ่อยนักจึงพร้อมกันเจถึง8ดคนมุ่งหน้าไปสู่โนนบักบ้าให้ช่วยกันปัดกวาดสถานที่พอจะปรากฏและเดินจงกรมก็ถามท่านว่ามาจากไหน ท่านบอกว่ามาจากบ้านนาโพส่วนบ้านเกิดท่านบอกว่าอยู่บ้านสามผงโรงพนาไม่มีใครกล้าถามต่อว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรเพราะแค่ฝังชื่อบ้านยังไม่มีใครเคยได้ยินชื่อมาก่อนและในข้อสงสัยนี้ไม่มีใครสนใจจนญาติของท่านได้บวชและออกตามหาจนมาพบท่านที่บ้านคุม้มจึงได้รู้ว่า สามผงดวงพนาที่ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐพูดอยู่ที่จังหวัดนครพนมตอนเช้าครูบาอาจารย์เท่าถ้าได้ออกรับบิณฑบาตตามปกติและชาวบ้านได้ติดตามท่านมาักถวายจังหันที่นวลบักบ้าพอมีโอกาสชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านพักจำปรรษาด้วยแต่ท่านไม่รับว่าจะจำปรรษาด้วยท่านได้อยู่มาเรื่อย ชาวบ้านก็มีใครคิดว่าท่านจะอยู่นานเพราะใครมานิมนต์ท่านท่านก็ไม่รับทุกคนต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งท่านจะต้องจากญาติโยมทางบ้านคุ้มไปเพราะทุกคนพอจะรู้ว่าเป็นธรรมดากของพระธุดงค์ท่านจะไม่พักที่ไหนนานท่านจะไปเรื่อยๆไม่มีพันธะอะไรมาผูกพันท่านได้ช่วงแรก ก็ไม่ค่อยมีคนมาหาท่านมากนัก